เมใใื่อ ว, ว, ว, วานนี้ก็น่าสนใจนะครเอิงเคสตดีแต่ก็ เจ้าของเคสซาดีก็ต้องทาใจนะลุงนะเรื่องของกฎหมายก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปไปตามกระบินบ้านเมืองเขาอย่างนั้นแหละเขาจะทำไงก็แล้วแต่เขาว่า ก, กันไปตามเนื้อผ้าแต่ส่วนตัวของเราซึ่งเป็นญาติของผู้ตายเนะีย่ยจะไปคิดแค้นหรือจะไปคิดแก้แค้นอะไรเขาเลยนะจ๊ะ ครูไม่ใหญ่เคยพูดถึงการแก้แค้นมาแล้วซึ่งมันมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งแก้แค้นแบบสะใจแต่ว่ามีเวรมีภัยในสังสารวัฏวิธีที่สองแก้แค้นแบบสุขใจแต่ไร้เวรภัยในสังสารวัฏสะใจกับสุขใจ ท่าสะใจเนี่ย <Yeah. S 1> เขาหนึ่งกนอิดมาแล้วก็สองกนหินไปครับหรือว่า ก, ก็เป็นสิบก้อนหินไปเลยครับอย่างนั้นเป็นการผูกเวรไม่ได้เรียวเป็นการตัดเวรต่ถ้าหากวิธีที่สองคือแก้แคบแบบสุขใจไร้เวรไแล้วก็ตั้งแก้ให้คลายครับเหมือนแก้ห่อวิ่งเตี่ยวอย่างนั้นแหละให้มันคลี่ให้มันคลายออกมาจนกระทั้งความแคบเนะ่ยมันหายออกไปจากใจ เหรือแต่สิ่งที่ดีงามมันเกิดขึ้นอยู่ในใจอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและต่อผู้ที่ตายแล้วนะจ๊ะเพราะผู้ที่ละโลกไปแล้วสิ่งที่ต้องการคือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ใช่ต้องการให้แก้แค้นอย่างผิดหลักวิชานะจ๊ะวันนี้ก็เป็นปรเรื่องราวที่น่าสนใจเลยเดียวก็ผม ชื่อสุบันศสีสุนทรปกติหลวงพ่อาจจะไม่ค่อยอ่านชื่อนะ <Okay. S 1> แต่ว่าเห็นเรื่องราวเป็นเรื่องที่ดีนะและก็ชื่อขนาดรักดีแล้วเกินทะเลาะด้วยก็เลยอยากอ่าน <c oughs> ชื่อสุบันศสีสุนทรเป็นคนลาเกิดที่เมืองเวียงจันทร์ภรยาชื่อสําปราศสีสุนทร <c oughs> เป็นชาวไทยอีสาน รุ่นท ส, สองมาอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นเวลา24ปีครอบครัวมาเป็นรุ่นบุกเบิกสร้างวัดภาวนานิวเจอร์ซีตั้งแต่วัดยังเป็นศูนย์วิัติธรรมนิวเจอร์ซีทุกคนในครอบครัวรักบุญรักการสวดมนต์และทำสมาธิโดยเฉพาะการสวดมนต์กผมสอนให้ทุกคนสวดมนต์จนทุกคนสวดได้คล่อง โดยเฉพาะลูกคนที่สและห้าคือสุนตราและสุภาวดีเพลงชีวิตสมณะภาษาอังกฤษสวดมนต์เก่งมากสวดได้เกือบทุกบทเช่นทำวัดเช้าเย็นคาถาเินเวชจรบทภาหุงยอดพระกันตายวิฎกบทสวดเจ็ดตำนานบทสวด12บสอตำนานเป็นต้นบางบทลูกๆยังสวดแบบถอยหลังได้ด้วยอ้าว ด้วยเหตุนี้ลูกทั้ง5คนยังเป็นเด็กเรียนดีได้ทุนการศึกษามาตลอดเช่ลูกคนแรกเรียนจบแพทย์โดยได้ทุนการศึกษาจนจบนี่เห็นไหมอา น, นิสงของการสวดมนต์นอกจาการเรียนแล้วทุกคนในครอบครัวชอบร้องเพลงมากลูกคนที่สี่และห้าได้รางวัลชนะการประกวดเพลงของสถาบันความสามารถในการร้องเพลงลูกสุนทราและสุภาวดีรักและผูกพันหลวงพ่อมาก แล้มีความตั้งใจตั้งแต่เป็นเด็กว่าจะร้องเพลงทางพระพุทธศาสนาเม่มีโอกาสได้ฟังเพลงชีวิตสมณะเป็นครั้งแรก mm hmm. ก็เกิดความรู้สึกรักและอยา ก, mm hmm. กจะร้องเพลงนี้ mm hmm. คุณพ่อของผม mm hmm. เป็นทหารอยู่เมืองลาวคุณแม่ชื่อบุญมาคุณพ่อชื่อพ่อออททั้งสองไม่มีนามสกุลเนื่องจากคนในสมัยนั้นไม่ใช้นามสกุล คุณพ่อออทเป็นคนใจบุญชอบสร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิเป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างวัดทุ่งสร้างนางที่เมืองเวียงจันทร์และช่วยบรณาวัดมาตลอดแต่ว่าเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยาน้อยวงเล็บมากและดื่มดื่มเหล้าเป็นอาชินคุณแม่บุญมาไม่เคยเข้าวัดเลยฟังให้ดีนะพระก็ไม่เคยกราบ เนื่องจากไปเรียนวิชามารมาจากคุณยาย<อ>ซึ่งไม่ให้ไปกราบพระหรือเข้าวัด<อ>วิชาที่เรียนมาก็นำไปใช้ช่วยรักษาคนให้หายป่วยบ้าง<อ>ดูหมอบ้านแก้ไขคนที่โดนของมาบ้านแม้ไม่ได้ทำเป็นอาชีพแต่ก็เป็นที่รู้กันของคนในหมู่บ้านใช้วิธีรักษาโรคโดยการหัก อะไร ห, หักกระดูกก็ตายสิจ้าหักกลวยหักไม้ตอกอแล้วก็จะรู้ว่าเป็นอะไรต้องไปแก้ไขอย่างไร<อ>มาทาตามก็จะหายเช่นตอนกระผมเด็กๆ เ, เคยไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็พูดเล่นกันไปตามภาษาเด็กพอกลับมาก็ป่วยไข้าหาสาเหตุไม่เจอพอคุณแม่มาก็หักไม้ตอก แล้วก็บอกว่าไปพูดจาไม่ดีมาให้ไปขอเข้ามาเจ้าที่ oh. เมื่อกับผมไปขอเข้ามาก็หาย oh. คุณพ่อคุณแม่ของกผมตายเพราะโรคชร า, า, าอายุ80กว่าปีที่เมืองลาว oh. พ่อของสารานคือภรรยาของระผม <Okay. S 1> ชื่อคุณพ่อปีวรดีมีอาชีพเกษตรกรทำนาเป็นคนใจบุญสนทานสร้างวัดทั้งออกแรงสร้างเอง ทำบุญในเงินแล้วก็ชักชวนผู้คนมาช่วยกันสร้างวัดด้วยเป็นคนมีน้ำใจใครเดือดร้อนมหาก็จะได้รับความช่วยเหลือไม่มีข้าวกินก็มาที่บาทท่านก็จะแบ่งข้าวไปกินเรื่องข้าศัต์แต่ชีวิตก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นอาชินสมัยนุมน่มๆก็เป็นคนใจนักเลงเคยฆ่าคนเพื่อป้องกันตัวเองด้วย oh. แล้วก็พูดถึงเรื่องการทาบุญเยอะแยะไปหมดเลย ต่อจากนี้ไปก็เป็นคําถามว่าปอรโลกของท่านทั้งสามคือคุณพ่ออ๋อคุณแม่ปุณมาและคุณพ่อปิวเป็นอย่างไรบ้างครับครบสองวิชาที่คุณยายของผมใช้การหักไม้ตอกเพื่อแก้ไขโรคหรือโดนของเป็นจริงหรือไม่กระผมจะสามารถอธิบายเรื่องนี้ให้กับคนอื่นได้อย่างไรครับสามบุญที่ทำจากการสร้างวัฒกรรมารจาตัวไปให้ท่านจะได้รับหรือไม่ครับจะทําบุญอะไรที่ไปให้ท่านทั้งสามยิ่งจะดีที่สุดอ สี่ลูกคนที่ห้าคือสุภาวดีที่ร้องเพลงจิตวิสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษมีความสงสัยว่าทําไมนะ่ะตนจึงรักการร้องเพลงมากบพบเจ้าติผ่านมาเคยมีความชอบเช่นนี้หรือไม่ทุกคนในครอบครัวรวมทั้งหลานๆอายุสองสามขวบก็รักการร้องเพลงมากทําไมลูกๆและหลานจึงมีความชอบเหมือนกันครับคุณพ่อออสตายด้วยโรคฉลา เมื่ออายุ80กว่าตอนตายใหม่ๆทันทีที่ตายท่านก็ไปเกิดเป็นพญา น, นาคอยู่ในภพ บ, บาดานตอนตายใหม่ๆไปเกิดเป็นพญา น, นาคอยู่ในภพ บ, บาดานใต้แม่ น, น้ำขโขงเขามันจะมีภพอีกภพหนึ่ง เป็นพรปรละเอียดมีวิมานเป็นเงินปนทองแล้วก็มีรัตนเจ้าระดับ<อ>ในระดับพญานาคพญานาคมีหลายระดับนะบนี่นี่อยู่ในพื้นมนุษย์มีไปเรื่อยเลยจงกระทั่งเป็นผมมะลุคอากาศถึงเช่นจัตุแต่นี่อยู่ในระดับใต้บะดาลเพราะฉะนั้นสมบัติก็ประมาณนี้ก่อนมนุษย์หน่อยหนึ่งเั่นั้นรับ ใกล้เคียงกันนะมีนะคือคําว่าวิมานทองเนี่ยแต่หละแห่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะแต่ชื่อเดียวกันไม่เหมือนกั น, นพื้นฐานใจของท่าน เ, นเป็นกุศลแต่มากไปด้วยราคะและโมหะอเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลลราคนก็เลยราคะและโมหะเนี่ยจึงมาเกิดเป็นพญา น, นาคใต้ประดานได้สายเอราปถะ ที่มีสีกายออกเขียวๆบุญที่ลูกอุทิศย์ไปให้เลยก็ได้มากตามกำลังบุญแห่งนาคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านมีราคะปนโมหะเนี่ยะละบุญที่อุทิศไปให้เนี่ยท่านก็เจอของที่ชอบคือมีสาวนาค อ, อ้อๆ อ, อยู่เยอะ คอยบำรุงบำเรอยู่แหวนล้อมไปด้วยสาวนาเออล้วนแต่ตัวเขียวเขียว แ, วแต่ว่าเวลาแปลงกายก็เป็นมนุษย์<อ>ก็ได้นะเยอะแยะเลยจริงเรื่องรางท่านเยอะแต่ว่าเวลาไม่พอมาดูคุณแม่หกักตอบแม่ไปเกิดเป็นวิทยาธร Oh. ในระดับภุมมะเทวา <Okay. S 2> แล้วก็ไปอยู่กับยายที่ตายไปก่อน oh. ยายก็ไปเป็นวิทยาธรเช่นเดียวกัน oh. เพราะยายถ่ายทอดความรู้อันนี้ให้ oh. การหักไม้ตอจะเป็นสื่อกับครูที่เป็นวิยนมม oh. ทวยาธรภุ ม, มะเทวา <Okay. S 2> ครูก็จะมากระซิบข้างหู oh. เหมือนครูกลางหาว oh. ซึ่งครูนี้จะตามรักษาวิชาหักตอกที่ตัวเรียนเอาไว้ <Okay. S 1> แล้วก็จะบังคับกันตอบเป็นสายสายคอยส่งฤทธิ์กันมาเ oh. พราะหักเพราะรู้เรื่องเลย oh. แม่มีวิมานอยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งในลาว oh. แต่ว่าไม่ได้อยู่บนเนิน <Okay. S 1> บนเนินเขาเล็กๆคือเขาจะเดินเข้าไปในเนินนั่นแะ พอทะลุ ก, กันไปในเนินก็จะเป็นที่อยู่อ๋อไม่ได้มีวิมามเป็นทองเป็นเงินเป็นอะไรอย่างนี้แหละรหรือเป็นบ้านเบิร์อะไรแล้วเพราะเดินทะลุ ก, กันก็จะเป็นเหมือนห้องเงี้ยก็จะมีอุปกรณ์ของใช้คล้ายมนุษย์มีโต๊ะมีตู้มีเตียงต่างอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยประณีตเท่าไหร่แล้วอยู่ในพวกสายวิชาเดียวกันครับที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยเป็นพันเป็น ห ล, หลายพันปีมนุษย์ออ oh. พวกนี้ที่เขาอยู่มานานแล้วเนี่ยเทียบกับอายุมนุษย์นะค <'s> right. ร้อยปีก็มีหลายร้อยปีก็มีพันปีก็มีอ oh. ที่แก่มาก ๆ, ๆเขามี s right. <S ถ้าหากอยู่ในระดับของพื้นมนุษย์เนี่ยเวลาแก่ก็จะเหมือนมนุษย์นี่นะอ oh. แก่งอม oh. เวลาเข้าเสียงสูงทรงก็เสียงสั่นๆ ปูงั้นปูงีอะไรเงยเคยใครเคยไปฟังมึงเนี่ยบอกว่าจะดีดีอ่าใช่นั่นแหละเตื่องเงี้ต้องสอนกครับก็จะมีสายวิชาคุมกันมาเลยครับมำอยู่คราวหนึ่งตอนสมัยครูไม่ใหญ่เป็นนักศึกษาเพื่อนก็พาไปสำนัก แห่งหนึ่งสำ น, นักสงอยูยไม่หายจากสถาบันอะไรไปกันสองคนเราก็ชวนไปอาภายัยเป็นเพื่อนครับพอไปถึงก็บอกว่าตัวประสงค์ก็กราบสามทีที่ท่านบูชาสั่นเข้าเลยขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมเอาไว้พอคุยกับเพื่อนเสร็จ ก็กอดมือเรียกครูไม่ใหญ่เข้าไปคุยคอ้าวเขาชวนเราคุยแล้วก็เข้าไปคุยคอ้าวจะเอามามีธุระอะไรละ่ะอ่าวธุระไหม่มีมีแต่อยากจะคุยครับอยากจะรู้ว่าคุณยายทองสุขสำแดงปั่นตายแล้วไปอยู่ที่ไหนออ๋คุณยายทองสุขที่ที่บูบดพร้อมคุณยายเรารเป็นประธราจารย์ของคุณยายจําได้ไหมจําได้ เขาก็สั่นเงงกเาเห็นแล้วอยู่ที่เขาไกรลาดเนี HIV ่ยเขาไกรลาดอยู่ตรงไหนเนี่ยงากเง็กๆอยู่สวรรค์ชั้นเก้าน่ะอ๋อสวรรค์มีหกชั้นนี่ในพระไตยปิดกว่าชั้นทหนึ่งว่างงี้ยออกเลยพอเอาพระไตยปิดกเข้าไปถามหน่อยนี้หมดอารมณ์คุยลงมาจากธรามะแล้วก็บอกกับครูไม่ใหญ่บอก วันหลังมาเดือนเมษาทีจะมีการไหว้ครูลูกศิษย์เต็มบ้านเลยให้มาวันนั้นเรามาถามอย่างนี้อีกน ะ, ะเรื่องอะไรเราจะไป <laughs> ไปเนี่ยเราไม่ได้เจอปู่หรอก <laughs> เจอลูกศิษย์ปู่เนี่ย <laughs> มันจะอาดแล้วอะ่ะแต่แม่เนะี่ยไปใหม่ๆนะแก่นะ <c oughs> เพราะอยุแปดสิบ <c oughs> แต่ว่าบุญที่ท่านได้ช่วยคนให้หายป่วยเนะี่ย ไปช่วยรักษาดวยวิธีการของท่านและบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้เนี่ยทําให้ตอนนี้ท่านไม่แก่มาก อ, อยู่ในวัยกลางคนนึงนะครับที่ท่านไม่ได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศส่งไปให้ได้ทั้งๆที่ลูกทําบุญอย่างถูกหลักวิชานครั บ, รบเพราะใจท่านไม่เปิดรับตั้งแต่เป็นมนุษย์ก็ไม่ไหวพระอยู่แล้วครัไม่เข้าวัดสนใจแต่วิชาหักตอก Oh. แล้วก็ไปช่วยพวกที่ก็าหักตอกต่อกันไปเนี่ยแต่กทิบข้างหูง้ยแต่ก็ได้ในระดับที่ทำให้อายุดูเหมือนวัยกลางคนคส่วนคุณพ่อปิวไปเป็นกุมพันธ์ oh. ทำหน้าที่ไปอยู่ในยมโลกเพราะมีทั้งบนและบาปปนกันเป็นคนใจนักเลงและดุเหมือนกันเนอะ oh. เคยฆ่าคนในการป้องกันตัว แต่ก็ไม่บุญก็มีบุญที่สร้างวัดและเพื่อกูลเพื่อมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกหนึ่งปีสวรรค์ต้องมารับเวรถึงหเดือนพักหกเดือนอแต่เมื่อลูกๆไดี๋ยาทำบุญทิตทิส่วนกุศลไปให้ก็ได้ลดจ่อนผ่อนลงมาเหลือไปอยู่ในยมโลกไปปฏิบัติภารกิจเป็นเจ้าหน้าที่ปีละสี่เดือนพักแปเดือนอที่ลูกสาวชื่อสุภาวดีชอบร้องเพลงมากเพราะ อยู่รืเปล่าเนี่ยลูกสุภาวดีเนี่ยอยู่ครับเสียงทำไมแม่งแม่งอยู่ในอดีตลูกสุภาวดีเคยเกิดในกำเนิดของเทพธิดาคนทันอ๋ออย่างต่อเนื่องอมาหลายชาติอซึ่งอยู่ในฝ่ายนักร้องไม่ใช่ฝ่ายนักรม ก็จะแบ่งเป็นนักร้องกันนบนกรมกิจวัตรประจำวันของคนทานก็คือเฉพาะที่ลูกสุภาวดีอยู่นะเขาจะคัดนักร้องเสียงดีเนี่ยไปแสดงในเทวสภา<อ>และลูกสุภาวดีนี่ก็ได้มีโอกาสไปร้องในเทวสภาด้วย<อ>เสียงนี้เพราะมากทีเดียว แตวสภาก็เป็นที่ชุมนุมของเทวดาน บ, บนส ว, สนวรรค์ชัน้นดาวดึงชั้นจัตุกดาวดึงนี่ต่อกันนะมันจะขึ้นไปมาหาสู่กันได้เวลาได้รับบุญเขาจะขึ้นไปเนี่ยจากจัตุกไปดาวดึงได้ ง, ง่ายแต่ถ้าจากดาวดึงไปยามาท่านจุติก่อนนะอ๋อบุบจึงไปอ๋อมันมันไม่เหมือนกันนะก่อนเกิดเป็นคนทันก็ทําทบุญทําทานรักษาศีลแบบ ชาวบ้านทั่วๆไปครับแต่ว่าจิตใจเนะี่ยลูกสุภาวดนะีเป็นคนช่างฝันชอบฟุ้งฝันเป็นฐานใจเป็นปกติทีเดียวทั้งสองอย่างประกอบกันคือทำทานตอนเป็นมนุษย์แล้วก็ชอบฟุ้งฝันก็ได้ไปเกิดเป็นคนทันแล้วก็ชอบเป็นคนทานซะด้วยจึงเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ใจก็จะเป็นอย่างนี้แหละ แล้วก็ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นคนทานเนี่ยหลายชาติแล้วอ oh. ชาติก่อนจะลงมาเกิดเป็นสุภาวดีในเมืองมนุษย์ครับ oh. มีเรื่องราวของตนเองคล้ายนิยายแต่เป็นเรื่องจริงไม่สาวลูปสุภาวดีเนี่ยจะทนฟังได้ไหมทนฟังได้ครับมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าคล้ายนิยายเกี่ยวกับรักสามเศร้าอ oh. และก็เศร้าจริงๆซะด้วย oh. เรื่องก็มีอยู่ว่าลูกสุภาวดีเนี่ยตอนเป็นสาวคนทันเกิดไปหลงรักคนทันรูปหลอ่อท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องเหมือนกับตัวนี่แหละแต่ว่านักร้องหนุ่มคนทันคนนั้น เ, นเขาไปหลงรักสาวน้อยเทพธิดาคนทันอีกนางหนึ่งตัวเองก็เลยผิดหวังเพราะหวังผิดเพราะหวังผิดก็เลยผิดหวังก็ตรอมใจตรอมใจเศร้าใจ ไม่ยอมรับประทานอาหารทิพย์ oh. ไม่ยอมเสวยสุธาโพธิเศ oh. ร้าโศกมากแลยจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้แหละ oh. เพราะว่ารักเขามาก oh. รักมากจริงๆเลย oh. สงสารโลกสุบาวดี oh. แต่ตอนก่อนจติจิตเนี่ยทั้งรักทั้งขุนมัวคือโกรธเขา oh. รักเขาเน่าจะเขาไม่รักเรารับ ไม่รักคนอื่นครับผมไอจิต ท, ที่ประกอบไปด้วยความโศกและความโกรธอ่อนๆนีนน่และแล้วก็ไ่ได้รับสุดทธาโทษอ่ะ <Okay. S 1> สวร อ, อาหารทิี่ทำให้จุตติลงมาเป็นมนุษย์ไอด้ดวยความโกรธอ่อนๆและะ้วเศ้โศกเลยทำให้มีผิวกายตอนเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเข้มข้นไปนิดหนึ่งนะลูกนะ oh. มันเข้มๆนิดๆ <Get out. S 1> อ่าดูผิวขขงไงเข้มๆ yeah. อ่าอืมันแหละอย่างงั้นแหละแต่ก็น่ารักดีไปอีกแบบนึงรูกนะ <Okay. S 1> เลยอัจฉรายะในี้ทําให้รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจอ oh. ที่ชอบร้องเพลงเหมือนกันทั้งครอบครัวกับเพราะครอบครัวสนับสนุนไม่ขาดใจ oh. ในปัจจุบันเนี่ยครก็แล้วแต่แลแ้วคนก็จะเป็นยังไงชอบจดิตทางนี้กันมามาก ก็เลยลองเพลงกันแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าแต่ละคนจะเคยเกิดเป็นคนทันนะจ๊ะครับอันนี้เฉพาะลูกสุภาวดีครับแต่คนอื่นยังไม่ได้ถามก็ตันได้ไปก่อนอ่นขอแถมอีกนิดนึง่งครับแถมได้ไหมได้ลูกสุภาวดีหนุ่มคนทันคนรักเก่านั่นอะ่ะเขาสมหวังไปแล้วกับสาวน้อยคนทันคนนั้นว้าว ตอนนี้ก็ามาเด่นเล่งแรงมในเมืองมนุษย์เลยเพราะเขาก็มีชีวิตแบบของเขาไปเนี่ย oh. ชีวิตในวัฏสงสารก็เป็นอย่างนี้แหละจะเอาอะไรกันนักหนานีจ๊ะ<笑><笑>แต่สิ่งที่ควรปลื้มก็คือเคยสร้างบุญมากระหมูคณะด้วย oh. แต่ก็สร้างแบบคล้ายๆกับสาธุชนทั่วไปนั่นแหละเคยสร้างกับมารชาติในอดีตเนี่ยชาตินิสัยบุญก็เลยทําให้มาเจอกันอ oh. พอนั่นมาเจอกันตอนนี้แนละ้วมุ่งไปดูสิทธิบุรีดีกว่าเนอะลูกนะเพราะจิต ท, ที่ฟุ้งฝันนะมันส่งเราไปได้แค่เป็นคนทัน บ, บางทีความผิดหวังทำให้เกิดความสมหวังก็ได้ผิดหวังจากรักษาเศร้าแต่มารักอีกสามคือพรัตนาไตรัรจะได้ไปดูสิทธิบุรีจ้ า, า, ด, าดูภาพของเธอกล้กัน สาวน้อยสุภาพดีน oh ี oh ่โ oh. อ oh ้โหอโหนี hmm. like ่ไงเป็นไหมเหมือนคนทันเออผิวของเธอก็เข้มข้นนิดหน่อยนี่นิดนิดเดียวกันนั่นเองเหมือนนมใส่หางกาแฟนินี้เนี่ยก็อนุโมทนาทั้งบ้านเลยนะลูกนะ